ที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงสองฝ่ายที่ชื่อว่าจีวรเก่าได้แก่ผ้าที่นุ่งแล้วแม้เพียงหนึ่งครั้งผ้าที่หอมแล้วแม้เพียงหนึ่งครั้งภิกษุสั่งว่าจงซักต้องเอาบัตรทุกกฎจีวรที่ภิกษุณีซักแล้วเป็นนิสกีภิกษุสั่งว่าจงต้องเอาบัตรทุกกฎเมื่อภิกษุณีใช้มือหรือตะลุมพกทบเพียงหนึ่งครั้งจีวรเป็นนสิสกี คือเป็นของจำต้องสละแก่สงแก่คณะหรือแก่บุคคลภิกษุทั้งหลายพิกษูพึงสละจีวรที่เป็นนิสกีอย่างนี้